ก็ง่วงแล้วก็จะนอนเลยอัน ม, <laughs> มันต้องดูนะว่ามันสมควรนอนก็นอน <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องไม่นอน <c oughs> แต่ถ้ากิเลสมันชวนนอนอย่าไปเชื่อมันอนะยิหน่อยได้นอนนานไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าที่ยังทําอยู่ก็ใช้ใช้ได้อย่างนี้เนี้ยดูถ้า <c oughs> เห็นกิเลส <c oughs> เกิดบ่อยๆใช้ได้นะข้างหลัง พอดีเอากันบ้านมาส่งนะคะก็ะรคราวที่จากคราวที่แล้วหลวงพอ่อแนะให้ให้เริ่มดูว่าใจมันวิ่งไปได้เองใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คิดว่าเริ่มสังเกตเห็นนะคะ <c oughs> ว่ามันเวลาเจออะไรเข้ามามันก็จะวิ่งปุ๊บไปวิ่งปุ๊บออกไปะคะ่ะการนี้ก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อแนะนํานิดนะะึงค่ะว่าต้องทํายังไงต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ดูเรื่อยๆไปนะแล้วสังเกต ด, ดูเวลามันวิ่งไปเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันถึงจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาใช่ไ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 ทำอะไรละ่ะห น, นูไปทําอะไรก็ดูอะค่ะอืมดูอะไรละ่ะเห็นอะไรบ้างวันวันหนึง่งเห็นทีเลสไหมเห็นน้อยค่ะแล้วแล้วหนูเห็นอะไรมันก็คิดค่ะเออถ้างั้นเราคิดปล่อยวันวันหนึ่งคิดเดยอะดูออกไหมงั้นให้กันบ้านต่อไป น, นี้ถ้าใจหลงไปคิดนะให้รู้ว่าใจเราแอ บ, บไปคิดแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ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 ท ำ, ทำไมเรายัางติดเพง่เพงเอยู่เยอะเลยอะคะแล้วมันก็จะหนักๆแล้วปวดหัวบาง<ช>ครั้งพอมันมองไปแเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเพ่งอีกละล้วพอหลังจากรู้สึกจะปวดหัวแล้วกกนกนกกนกนะนนัััั่ะปติบบเเืือออรร้้้ยยคพงูมาตั้งันออยู่ในคภีกากา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 ไม่สแสวงหาก็ไม่เจอเนี่ยนี่เพราะเรามีบุญของเราเราสนใจเราสแสวงหาสแสวงหาแล้วมีบุญหนุนหลังเราเจอเนี่ยราก็ภาวนาอีกลูกศิษย์คุณดใดเลอ <c oughs> ดีละหัดดูไปหัดรู้สึกแต่อย่าไปกำหนดนะกำหนดไม่ใช่คำสอนที่พระเจ้าสอนอ่ะใครจะยกมือคนต่อไป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 ก็ได้สมถะเอ้ยใช้ได้คือสมถะก็จำเป็นนะในบางคราวแต่ว่าไม่ใช่ A ออะไรก็ใช้สมถะอย่างเดียวมอนเหมือนเรามีเครื่องมือหลายอย่างเราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือนในขณะนี้เราควรจะใช้สมถะเราก็ใช้ขณะนี้ควรใช้วิปัสสนาก็ใช้ขณะนี้สมถาวิปัสสนาไม่มีก็ใช้ศีลป้องกันตัวเองไว้ศีลก็สู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีไปนะ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 ก็กั้นก็แสดงว่าเราให้เรารู้อย่างเดียวใช่ไหมครับ ว, ว, ว่าว่าความคิดนั้นเป็นอกศนุศลคือคือดูดูรู้ไปเท่านั้นพอไม่<ณ>ต้องไปข<ณ>ป<ใ>นาดใจ <น S 2> ที่ทําวิปัสสนาได้ทําวิปัสสนาทําวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะครับทําสมถะไม่ได้เอาศีรักษาตัวเองไว้ก่อนครับนะต้องใช้หลักนี้นะงั้นไม่ไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาคิดลูกเดียว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 มหากัาบอันไหนที่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกพัทธรักกับมหากราบที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกอันตรรกับมีกราบอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอายุกัาบอายุกราบนี้ก็คืออายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นอย่างอายุกัาบของคนเดียวนี้75็ดสิบห้าปีงนพวกเราเนี่ยถ้า75ปีเรียกว่าหมดอายุแล้วนะ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 าทาใจให้สบายสบายก่อนไอ้อย่างนั้นไม่เรียกททำใจสบายอย่างนั้นเรียกบังคับใจให้นิ่งทำใจสบายต้องอย่างงี้นี่ทำเป็นไหมเนี่ยใจส บ, ยสบายสบายแล้วก็คอยรู้สึกเอานะต้องสบายนะถ้าใจแข็งกระด้างทื่อๆจะไปดูอะไรออกอ่ะว่าไปนี่ยกมือ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 ที่เรียกว่าเทวบุตรตมานคือจิตของเรานี่จิตที่จะลากตัวเองลงต่ำนี่เลิกเถอะเลิก เ, เ, เะถอยเถอะเอาตัวรอดเถอะอาพิสังขารมานคือความคิดปรุงของเราเองคิดในทางจะบันทอนตัวเองอคิดในทางล้างผลาญคุณงามความดีของตัวเองกิเลสมานกิเลสทั้งหลายจะหลอกล่อเราให้เลิกการปฏิบัติให้ลุกซะเถอะ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 การช่วยเหลือกิจการที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างพวกนี้ไปช่วยกันที่วัดอินจะไปช่วยอบรมกรรมฐานที่วัดอินก็เป็นบุญนะแต่ช่วยกันปล้นไม่เป็นบุญนะต้องช่วยดีๆเป็นไม่บุญเยอะนะมีเยอะเอาวันนี้ได้แค่นี้นะหลวงพ่อมีเวลาขอคุยกับพระสินาทีห้ามโยมยุ่งกับหลวงพ่อเพราะ0ิบโมงหลวงพ่อต้องไปละ